มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนตกะปัญหาจะตุทวักพุทธสัพพัญยูสยะปนามะปัญหาที่สี่ถามว่าพระสัพพัญยูเมื่อขับไล่ภิกษุสงฆ์ทั้งอัครสาวกเสียแล้ว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 เครื่องประดับเหนืออุตมังคสิโรดแห่งบรมกษัตริย์ให้ปราโมทสมานะยินดีอันวสุวนาลังการนี้เป็นของของบรมกษัตริย์บรมกษัตริย์ก็ทรงโสมานะยินดีซึ่งเครื่องประดับอันเป็นของของพระองค์ยะถามีครุวนาฉันดาสากยะราชและสหัมบดีพรมก็นำเอาธรรมที่พระองค์สอนไว้